เปจริญพรได้ไปถามตัวท่านะนะับการนังฟังธรัมก า, ามสบายนะมีมีของมาฝากันนึ่งมีลูกยี่ทางนัล้วนะมีลูกมีเมื่อวานมีน้องมอนนี่นะเป็นเด็กอายุห้าขวบเปิไปเจอธรรมญาติตาลุงน้ำํำลำบทา สองครั้งนะแล้วก็แม่เรียงก็พาไปปฏิบัติธรรมหลายที่นะปฏิบัติแบบวิธีเจริญสติเนี่แหละนะแล้วเขาก็อยากจะวาดรูปวาดรูปวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะเป็นท่ า, ายกมือสร้างจังหวะสิบสี่จังหวะนะเด็กก็คิดวาดเองนะคิดวาดเองนะอายุแค่ห้าขวบนะ น่ารักมากวาดลูกคายเตินสติเป็นเรียกว่าชุดนางฟ้ามาโปดชอบนางฟ้าแล้วก็ว่าเป็นนางฟ้าจบมือสิบสี่จังหวะแต่มาชอบคำพูดตอนท้ายมากพี่ก็พอนางฟ้ามาโปดแก็บอกว่า ให้รู้สึกตัวด้วยใจนะเพราะว่าอันนั้นเป็นหัวใจของการปฏิบัติเลยนะอืมคนที่พูดคํานี้ได้นะตอนแรกก็นึกว่าเด็กจะคิดเองแต่ที่จริงก็เป็นแม่เป็นคนแนะให้ให้เขียนประมาณนี้ว่าให้รู้สึกตัวด้วยใจเพราะนะว่าคนที่เข้าใจแล้วพูดกระชับกระชับว่าให้รู้สึกตัวด้วยใจเนะี่ยคน เขาเข้าใจนะหลักของการปฏิบัติธรรมได้ดีเลยเนะนี่ยนีคือจริงๆนะคือเราใช้ใจนะในการรู้สึกตัวนะกายก็กายก็เป็นส่วนประกอบนะนะบางคนคือบางทีถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมอ่ะบางทีก็จะไม่รู้ตัวว่าตัวเองว่าตัวเองแบบ <c oughs> จะหลงไปหรือเปล่าตรงนี้ เช่นแบบเห <Hey. S 1> ้ยบางคนเห็นพระเดินจงคมเนี่ยเดินทําไมเลยเนานะ <c oughs> ก็บอกเดินให้ฝึกรู้สึกตัวเอ้าแล้วตอนนีร้รู้สึกตัวอะไรบางคนก็ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ก็จะไม่รู้ตัวว่าจะเห็นไม่รู้สึกตัวนะ <c oughs> หรือว่า <c oughs> เรากินข้าวเราทำ <c oughs> เก็ทํานั่น <c oughs> ทํานี่ เรารู้สึกตัวไม่หลายคนก็จะไม่รู้ตัวว่าตัวเองไม่รู้สึกตัวแต่จริงรู้สึกตัวจริงๆเนี่มันมันใช้ใจในการรู้สึกเป็นอย่างมากนะเราเดินก็ดีนะเราจะเดินไม่หกล้มไม่เตะสิ่งของที่อิดขวางนะ อันนั้นก็อาจจะไม่ใช่ว่า ร, รู้สึกตัวจริงๆก็ได้นะเพราะบางทีใจเราไม่อยู่กับตัวใจเราไปคิดนั่นคิดนี่เนะออกไปนอกตัวนะไม่รู้สึกตัวนะเดี๋ยวเราทําสิ่งต่ตางๆเราขับรถเราขวัดบ้านถูบ้านอาบน้ํากินข้าวอะไรเนี่ยนะั่นเราก็กินไม่เราก็กินอาหารไม่หกเรียรานะ่าน่ะขับรถก็ไม่ชนนะ่ะรู้เลี้ยวซ้ายเรี้ยวขวาอย่ยางไรนะ แต่บางทีใจเราก็ไม่ค่อยอยู่ตรงนั้นตัวใช่ไหม <c oughs> ใจเราก็ไป อ, อยู่กับความคิดนั่นนี่หลายอย่างนะกลับมาอยู่แป๊ บ, บนะตอนที่ต้องตัดสินใจอยู่นะแต่ถ้าเรารู้สึกตัวจริงๆนะเราจะใช้ใจในการรู้นะอยู่ทุกขณะขณะที่ทำ ต, ติดต่างๆเ ด, ดินก็ใจก็ อ, อยู่กับการเดิน กินใจก็อยู่กับการกินนอนใจก็อยู่กับการนอนนะแต่คำว่าอยู่นไม่ใช่ว่าเอาใจเขาเ้าไปแนบอยู่กับอยู่กับเป็นนั้นนะนะถ้าแนบไปนะ่อั้นนั้นเป็นสมาธิกนะารทำสมาธิคือการที่เอาจิตใจไปนแนบไปอยู่เราก็ไม่อาจจะไม่รู้สิ่งอื่นรอบรอบภาพเลยนะถ้าใครสังเกตก็จะเองสมาธินแน่ ว, แ น, วแน่มากเช่นเวลาคุย ก็โฟกกัสแต่กับคนที่คุยอย่างเดียวเลยเราก็ไม่รู้เลยว่ารอบๆข้างเกิดอะไรขึ้นเลยนะ <c oughs> หรือว่าสังเกตไหมเวลาสมาธิมากๆคือเราที่เราอินไปอยู่ในในสิ่งนั้นเช่นเราดูหนังเราจีบเราก็เพ่งอยู่กับการดูหนังไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยอ่านหนังสือนิยายอ่นหนังสืออะไรที่เราชอบหึืไม่แต่อานธรรมะแล้วเราก็กินไปอยู่ในตรงนั้นเลยไม่ ไม่สนใจสิ่งอื่นไม่รับรู้สิ่งอื่นเลยถามว่ามันมันดีในทางโลกนะดีในทางที่อาจจะทําให้เราจําได้อาจจะทําให้เราอะไรได้แต่มันไม่เป็นความรู้สึกตัวทั่วท้องมันเป็นสมาธิเนี่ยนะเป็นสมาธิคล้ายๆหมายว่ากลุ่มคนที่ทํางานศิล ป, ปะหลายคนจะใช่สมาธิแบบนี้เนะี เวลาวาดลูกนะ่ะดิ่งเข้าไปในในในในในแปลงในเฟรมที่กระดังวาดหรือคนที่เล่นดนตรีหลายคนก็คืออิงเข้าไปในในทำนองดนตรีในเสียงเพลงเสียงเสียร้องนะ่ะมันดีนะทำให้เราสื่อสารอารมณ์ได้ดีแต่แต่มันมันเป็นสมาธิที่มัน เข้าไปแน่มากเกินไปนะแต่การฝึกสติมันมันจะออกมามากกว่านั้นนะนะไม่ไม่เอาจิตเข้าไปแน่ในสิ่งที่ทำนะไม่เอาจิตเข้าไปอยู่ในสิ่งที่ทำแต่รู้สึกตัวเนะี่ยคือรู้ทำอะไรก็รู้แต่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นเลยนะรู้นะนะอ่านหนังสือก็รู้ตัวยอยว่าอ่านหนังสือมีสิ่งเกิดขึ้นรอบข้าแเราก็เห็นเราก็ได้ยิน เหมือเราขับรถอะเราก็ไม่ได้โฟกัสแต่แต่ตัวเองที่กาลังขับหรือไม่ได้โฟกัสแต่เฉพาะ อ, อข้างหน้าอย่างเดียวบางทีก็อันตรายนะแต่การรู้ตัวตัวพร้องเนี่ยเหมือนบางทีรถมันรถจากข้างทางจากซอยเขามานะเราก็เห็นนะเพราะว่าเราดูข้างข้านะอมอะไรนั้นคือไม่ได้เฉพาะแบบโฟกัสเป็นจุดเป็นเฉพาะส่วน แต่การรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันมีตัวหลักแล้วก็มีตัวรองนะตัวหลักคืองานที่ทาอยู่ข้างหน้าแต่ไม่ให้โฟกัสกร้อร์เซ็นนะเป็นแค่งานหลักแต่เราก็ยังมีประสาทสัมผัสรับรู้ส่วนอื่นที่มันจะเกิดขึ้นไปด้วย <c oughs> ไม่ใช่ว่าไม่สนใจสิ่งอื่นเลยนะนั้นอันนี้คือมันเป็นสัมมาสมาธินะเราจะฝึกนะมีจิตใจที่ตั้งมั่น แต่รู้เนื้อรู้ตัวทั่วพร้อมนะรู้เนื้อรู้ตัวทั่วพร้อมคือเราไม่เอาใจไปจับส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ให้ใจรู้สึกนะรู้สึกในสิ่งที่ทําหรือเวลามีสิ่งอื่นมากระทบนะกับกายกับใจก็มีใจเข้ารู้นะมีใจเข้ารู้นั้นเดี๋ยวเรามาฝึกนะจะเริยนสตินะฝึกปภาษาง่านๆะเราเรียกว่าฝึกรู้สึกตัวนะ เราจะใช้ใจเป็นผู้รู้สึกตัวนะผ่านการเบื้องต้นแบบฝื่หัดแรกก็คืออาศัยกายเคลื่อนไหวนะกายเคลื่อนไหวให้ใจรู้สึกนะใจรู้สึกตัวในขณะที่ทำในรูปแบบต่างๆนะเราก็จะนั่งเรียกว่าเคลื่อนไหวมือนะเคลื่อนไหวมือเป็นจังหวะนะให้ใจรู้สึก กายทำอะไรใจก็รู้สึกอาศัยการเดินทีละขณนะทีละก้าวใจก็รู้สึกตัวทีละก้าวทีละขณน ะ, ะใจไม่ไปรอรู้สึกก่อน <c oughs> ไม่ไปรอรู้สึกก่อนหรือบางทีมันเกิดขึ้นแล้วก็มาเรียกชื่อมันทีหลังอันนี้คือมันคล้ายๆไม่ไม่ ไ, มไมปดัก ร, รอก่อน แล้วก็ไม่ใช่ว่าคันเกิดขึ้นแล้วมามาทวนว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นคืออันนี้มันมันเป็นอนาคตแล้วก็เป็นอดีตเช่นแบบถ้าใครเคยทำเนาะบางทีแบบเช่นเราวางมือแล้วเรารู้ว่าถ้าแรกนะคือของการพลิกมือเราก็ไม่ใช่เอาใจมารอที่จะรู้การพลิกมือนะแต่นน้มือวางไว้ตรงนี้ใจก็รู้อยู่ตรงนี้ <c oughs> ไม่ต้องไปรอว่าจะรู้จังหวะที่หนึ่งนี้ <c oughs> จังหวะเริ่มต้นเราก็รู้สึกที่ตรงนี้เลยเฉยๆปกติธรรมดาพอปิกปุ๊กรู้ปับ๊บเนี่ยพอยกปุ๊กรู้ปับ๊บวางลงรู้ปับ๊บไม่ต้องไปรอนะออันนี้ถ้าต่อไปจะมือซ้ายนะเดี๋ยวใจมาส่งอยู่มือซ้ายก่อนไม่ใช่นะใจก็อยู่ตักหางของมันแต่พอปิดรู้สึกพอยกรู้สึกพอวาง รู้สึกมันก็รู้สึกอยู่ตรงนี้นะไม่เคลื่อนก็รู้สึกว่ามันไม่เคลื่อนแบบนี้แหละใจก็รู้สึกอยู่แบบนี้นะไม่ต้องไปรอไม่ใช่ม่รู้สึกตัวนะก็รู้สึกในการที่วางอยู่ธรรมดาเนะคลื่อนก็รู้สึกนะออกรู้สึกวางรู้สึกความรู้นะรู้ รู้เนะี่ยจบก็รู้ว่าจบก็รู้ว่าจบแบบนี้นะวางลงก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้สึกตัวแล้วทําจบแล้วไม่ใช่นะก็จบท่านี้ก็รู้สึกในท่านี้นะก็รู้สึกไปแต่บางทีเราไม่เคลื่อนอย่างอื่นถ้าอย่างอื่นมันเคลื่อนของตัวเองเช่น ม, มันหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกขยับคือยย คำว่าไม่รอคือว่าเราไม่ได้ไปคอยคอยที่จะดูอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะเราดูสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้เช่นอยู่ในท่า น, นี้เราก็ดูในท่า น, นี้เลยไม่ต้องไปคอยนะเราจะดูลมหายใจก็เหมือนกันนะไม่ใช่แบบเดี๋ยวต่อไปจะดูลมหายใจเข้าะเออนะไม่เอานะคือตอนนี้มันหายใจแบบไหนก็รู้มันแบบนั้น มันไม่หายใจมันอยู่นิ่งๆก็รู้พอหายใจเข้าแล้วรู้สึกหายใจออกแล้วรู้สึกเอเมนะขอรู้สึกตัวมันจะเป็นปัจจุบันขณนะไม่ไปรอ ก, ก่อนแล้วก็วิธีแบบหลวงพ่อพเทียนจะไม่ไม่ไม่อยากให้มีการบริกรรมคือการไปไปพูดในใจเนาะเช่นตรง พิกมือขวาเราก็ไม่ต้องไปพูดก็พิกมือขวายกมือก็ไม่ต้องพอยกแล้วก็ไม่ต้องไปกําหนดดูว่ายกมือขึ้นด้านหน้าอะไรเงี้ยไม่ต้องก็แค่รู้สึกขณะที่ยกไม่ต้องไปพูดว่าเรายกมือเราวางมืออะไรก็ไม่ต้องไปพูดนะหรือไม่ต้องไปนับก็ได้นะหนึ่งสองสามสี่รู้สึก เฉยเฉก็พอกะรู้สึกเฉยก็พอนะอันนี้คือไม่ไปไม่ไปคอยรู้สึกก่อนคือจิตมันไปที่อนาคตหรือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมาทวนว่ามันคืออะไรอันนี้ก็คือเราไปทวนที่อดีตแต่รู้สึกตัวจริงๆมันคือรู้สึกตัวที่ปัจจุบันนะแต่เป็นปัจจุบันที่ไม่ได้ยึดมันมันมันคือคือรู้ที่ปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้ไปยตดนะไม่ได้ไปยึดนะที่ปัจจุบันอาศัยปัจจุบันเพียงแค่รู้นะรู้แล้วก็จบจบจบไปทีละขษณะนั้นเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่นะเราก็แค่รู้ตัวขนาดที่ทำเราอาศัยร่างกายนี่แหละนะในการนะเรียกว่าเป็นฐานในการรู้สึกตัว ทำอะไรก็ได้นะที่จริงวิธีปฏิบัติถ้าเราเข้าใจนะทำอะไรก็ได้นะที่เรารู้สึกตัวได้ถ้าเรารู้สึกตัวด้วยใจอ่ะเราจะเข้าใจว่าคาว่า อ, อะไรก็ได้เนี <S <s ่ยก<ข>็ไม่ใช่ว่าไปตกยุ่มก็ได้ไปตีหมาก็ได้ไปด่าเขาก็ได้รารู้สึกตัวอยู่มันไม่ใช่เพราะว่าใจถ้าใจมันไม่ปกติ ใจมันปูกริดครอบงำ ม, มันก็ไม่ได้นะ <c oughs> คือเราไม่เคยรู้แต่ว่ามือเราเคลื่อนมาตตกยุ้มก็รู้อยู่นะอะไรนะกินเล่าก็รู้อยู่นะอะไรนะไม่ใช่นะคือมันรู้กายเคลื่อนก็จริงแต่ถ้าใจมันไม่ถ้าใจมันไม่ปกติมันก็ไม่ใช่ <c oughs> การรู้สึกตัวเนะี่ยมันจะรู้ได้ใจที่ปกติ เพียงแค่รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าใจเช่นโกรธไม่พอใจที่มือนกันนี่คือมีความไม่พอใจแล้วมันก็มันก็สั่งให้กายทำนี่ใจไม่ปกตินะใช่ไหมใจไม่ปกติสังเกตมเวลาเราเช่นเวลาเราเราด่าใครหรือบางทีเราจอกว่าเราอาจจะพูดว่าเรากำลังถอนลูกแต่จริง ขนาที่สอมันเจือได้ใจที่มันไม่พอใจเนี่ยไม่พอใจเขาทําผิดเขาทําไม่ถูกไม่พอใจคําสอนของเราเราว่าเราสอนแต่รู้ว่าเราดา่าใช่ไหมมันเจืออะไรเพราะว่าเขาเขารับรู้ได้ใจว่าแม่พูดได้อารมณ์นะอารมณ์ไม่ปกตินี่สอนต้องอารมณ์ปกตินะเนี่ยแต่ถ้าอารมณ์ไม่ปกติเนี่ยเขาเรียกว่าดา่าเนี่ยคือ อันนี้คือคือเราก็ถ้าใจมันปกติมันจะสื่อออกมาได้ไ ด, ได้ดีเนาะได้ดีนั้ น, น, นการรู้สึกตัวด้วยใจจริงๆมันคือการรักษาใจก่อนเมื่อรักษาใจก่อนมันก็รักษากาย ว, จวาจาตามมานะคือ ท, ที่จริงการฝึกสติจริงมันจะย้อนให้เรากลับมาเห็นใจ บางทีเช่นเราเห็นร่างกายเราเคลื่อนไหวเนี่ยเหมือนคือฝึกให้เราจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะเมื่อไหรที่เราเผลอไปคิดอ่ะเราก็ดื่มตัวใช่ไหมเช่นกําลังเดินการเดินเป็นเพียงแค่อุบายนะให้เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวแต่พอเมื่อไรใจมาดื่มตัวไปคิดใจลอยไปที่อื่น่ะสติมันจะเกิดขึ้นก็เห็นใจลอยไปที่อื่น เห็นใจไปเผอคิดนะี่ยรู้สึกตัวเลยนะนะใจเิดไปรู้สึกหรือเดินก็รู้สึกขนาดที่เดินนะอันนี้ก็คือรู้สึกตัวด้วยใจคือใจรู้กายใจรู้ใจเนะนี่ยคือมันคือความรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวเนี่ยมันะเราจะเห็นเห็นกายเห็นใจนะกายไม่ปกติ ก็ S <S <an> เห็นคือบาทีเราเดินนะเราก็ไม่รู้ตัวว่าเดินเกรงเกรงนะพอเราจะเดินจงกลมเราก็เดินเกรงเดินเพ่งหน้าตาก็เครียด น, นะจิตใจก็กรนแง่นนะก็จ้องขึ้นนะเ น, นี่ยถ้าเราเห็นว่าร่างกายไม่ปกติจิตใจไม่ปกติเนะี่ยเราจะเริ่มสึกตัวแล้วนะคือเห็นว่ามันไม่ปกติ พอเห็นมันไม่ไมปกติมันก็จะคลายออกมาคลายออกมาใช้ใช้มันนวดลองกํามือนะกํามือกํามือพอดีไหยพอพอดีไหยหรือว่ามากไปเ อ, อมาก ไ, <c oughs> ไปทำในพอดีแลรู้ไหยแบบนี้พอดีพอดีนะอันนี้พอดีจะมานนะแต่ปต่โยไมย่ด้วยจะมานนะ <c oughs> แต่ถ้าแบบนี้ ม, มาบอกว่าพอยี่คอดีเชื่อไหมไม่เชื่อนะดูข้างนอกก็รู้นะเออ ม, มานนักปฏิบัติธรรมอางคนนยะก็บอกรู้สึกตัวไหมรู้สึกแต่หน้าตานี่หน้าตาเคร่งเครียดอย่างไหมนะอืมเดินจมกรมรู้สึกตัวไหมรู้สึกนะแต่หน้าตานี่มไม่ เหมือนจริงจังเดินไปอันนี้ก็ามากันนะเรารู้ตัวเนี่ยคือมันตึงไปแล้วก็รู้แบบไหนพอดีใช่ไหมเวลาเรายกมือสร้ า, างจัคงหวะก็ตามเดินจูงกลมก็ตามแล้วก็สังเกตดูดูร่างกายพอดีไหมแต่บางคนก็อาจจะถ้า ไม่ถึงกับว่าต้องต้องเหมือนกันนะคือว่าคือต้องแต่เราเลยนะบางคนพอดีแบบไหนก็เอาตามนั้นอย่างอย่าอาจมาเองนะถ้าให้มาแบบเป๊ะๆมากแบบนี้นนะอามาไม่พอดีคือเ ค, เคยดูวีดีโอนมอก็เทียนท่านยกมือไหมบางทีท่านก็จะเป๊ะนะ นั่งก็ตรมเกิบนี้นะแล้วก็มันก็เคยทำตามแต่เรารู้สึกว่าเราเราเครียดนะถ้าต้องเป๊ะขนายนั้นนะแต่ถ้าแบบทำเบาๆแบบหลวงพ่อ้ังเขียนงที่ลวงพ่อทำได้ด้วย น, นะหลพ่อทำได้เช่อนอันนี้ก็บ อ, อนนกบอไปสำหรับตัวเองนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ต้องห้าไป คือไม่ใช่ว่าหลวงพอ่อท่างสองรูกเป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกไม่ใช่นะแต่แต่ความพอดีของของแต่และท่านไม่เหมือนกันความพอดีของของเราเองก็ไม่เหมือนกันยางมาอาจจะรู้สึกแบบนี้พอดีของตัเองคือเราไม่ใช่ไป็นอ o ปี้ท่าท่าเดินท่ายกมือครูบาอาจารย์หรือจังหวะช้าเร็ว ของท่านไม่ใช่แต่เราให้เราสังเกตว่าเนะี่ยแบบไหนพอดีสนหรับตัวเราเองบางคนถ้าไม่ดูตัวเองเช่นก็ยกแบบเก่งใช้คือใช้กำนังมากไปอยู่นะเนี่ยมันก็จะมันก็จะมึนงงเอเอนาะให้เราดูตัวเราเองว่าทำแบบไหนพอดีเนาะ คือร่างกายเคื่อนภายในพอดีรวมทั้งการวางใจนะการวางใจว่าเออบางคนบางคนดูภายนอกก็อาจจะพอเห็นเช่นบางทีมันเนี่ยมันเหมือนพยายามจะดูข้างในมากพยายามจะพยายามจะนิ่งๆพยายามจะจดจ้องในสิ่งที่ทำเนี่ย อันนี้ก็เรียกว่าจิตมันเข้าในมากไปนะแต่บางคนก็ท ำ, ทำไม่เหมือนก็จะดูกายอยู่นั่นแต่ใจมันเหมือนกระจายไป ก, ก็อันนี้ก็ออกนอกมากไปนะเราต้องดูว่า ม, บบามันพอดีแบบไหนแต่สำหรัพอดีแบบไหนก็ไม่ใช่ว่า จะต้องให้มันเป๊ะพอดีตลอดนะเพราะงั้นมันจะมันจะเป็นเหมือนพยายามรักษาของพอดีนะแต่ให้เรารู้ว่าเช่นแบบเนี้ยมันตึงไปอืแล้วก็ผ่อนออกมาหรือมันฟุ้งไปเราก็ตั้งใจเข้ามาแบบนี้นนะถ้วมันจะพอดีมันเหมือนท้ายมันเหมือนตัวนี้นะมันมาชอบเปรียบเทียบเหมือนเราเคยเว่ยว่ายน้ําเวลาแข่งไหม แบบมันจะมีก็แลมีรูนะมีรูใช่ไหมตอนเวลาเราว่ายน้ำเราใชไม่ได้สนใจดูรูข้างข้างหรอกนะใช่ไหมเราก็องว่ไปข้างหน้าของเราแหละแต่พอเราเริ่มไปติดรูปฝั่งขวาเราก็จะกลับมาเราไปติดรูปฝั่งขวาเราก็จะกลับมาเราไม่ได้ไปสนใจดูมากกวบว่ามันมันจะติดหรือเปล่าแต่พอมันติดแล้วเรารู้สึกเราก็กลับแบบนี้นะเราจะพยายามให้มันพอดีตลอดเองเลยนะมันก็ มันจะว่าจริงๆนะเหมือนคนจะพยายามจะเดินตรงตลอดเนี่ยมันจะเกร็งนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่จะเอาให้มันพอดีตลอดไม่ใช่ว่าจะกลัวมันจะไม่ถูกไม่ดีก็ไม่ใช่งนั้นความรู้สึกตัวนะถ้าจะว่าไปจริงๆมันก็ถูกมันก็รู้ผิดมันก็รู้หลงมันก็รู้รู้มันก็รู้ คือแบบนี้นะอ่าคือมันมันรู้ไปทุกอย่างคําว่าสติคือสภาวะที่รู้นะเมื่อมันรู้แล้วจิตมันจะจิตมันคล้ายๆเหมือนเหมือนเราถูกของร้อนน่ะแล้ามันผมถูกมันจะกลับของมันเองนะมันพอจิตมันรู้มันหลงไปมันจะกลับมาของมันเองฝึกไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าเมื่อมันไม่อดีมันไม่ปกติมันจะกลับมาของมันเอง เมื่อหลงไปคิดว่ามันปุงแต่งมันจะกลับมาก่องมันเองต่อไปมันเป็นเรื่องของจิตที่มันรู้สึกตัวของมันเองนะแต่ทําอะไรมันก็จะเกิดจิตที่มันเป็นอัตโนมัติในการรู้สึกตัวเมื่อหรือว่ามันหลงไปของมันเราก็ห้ามไม่ได้จิตมันก็จะรู้สึกตัวของมันเองจนกระทั่งถ้าเราปฏิบัติไปด้วยเพื่อจะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยนะจะทําอะไรมันก็รู้ของมันเอง อย่าเรากาหนดการเคลื่อนไหวเป็นแบบจะเคลื่อนไหวก็รู้ของมันเองบางคนกําหนดดูลมหายใจอนาพัฒนาสิจะนั่งเล่นๆมันก็รู้สึกลมหายใจของมันเองอะไรนะจะเดินก็รู้สึกได้เีลยหรือบางคนถนัดในการดูจิตใจก็เหมือนใช้ชีวิตธรรมดาแต่ก็เห็นใจที่มันคิดใจที่มันแวบใจที่มันรับรู้สิ่งต่างๆได้ของมันเองเนี่ย เนมันมันก็มันจะเป็นไอรโนมัิของมันแต่พอสุดท้ายแล้วมันก็จะปฏิบัติวิธีไหนก็แล้วแต่นะมันก็จะกลับมาเห็นตัวกิเลสนั่นแหล ะ, ะเวลามันโกรธมันก็จะเห็นโลกก็เห็นหลงก็เห็นเวลามันพอใจไม่พอใจเวลามันอยากไม่อยากนะมันก็จะกลับมาเห็นนี้นแหละเพราะนี่คือต้นตอจริงๆเลย ต, ต้นตอที่มันทำให้มันไม่ปกตนะิเพราะว่ามันมีความอยากมีความไม่อยากมีความพอใจมีความไม่พอใจเกิดขึ้นนะเช่นเราจ้องเพราะเพราะว่าเราอยากดีถึงผู้ยอย่างหรื่าไม่อยากหลงนี่ก็็พราะความอยากดีเพราะความไม่อยากหลงนี่แหละมันทำให้เกิดการจอ้องการเพ่ง หรือบางทีมันคิดดีคิดสนุกคิดพอใจล้วก็อยากคิดต่อไม่อยากหยุดเราก็เลยไปอยู่ประมันใช่หมนี่คือมันก็ ค, คือความอยากถ้าเราไม่เห็นความอยากมันก็ไม่กลับมาหรือบางทีเราเจออารมณ์บางอย่างนะจิตมันก็จะให้ค่าเราก็จะตีความไปเองนะควาว่า ขเขาตันเองนะเราตดความไปเองเราให้ค่าเองเราบอกว่าง่วงมันไม่ดีโกรธไม่ดีฟุ้งซ่านไม่ดีถูกไหม <c oughs> จิตมันให้ค่านะแต่ถ้าเรามีสติดูนะที่จริงเวลาที่มันดูมันก็ไม่บอกว่าดีไม่ดีมันก็คือเปนะ็นการลมเนี่ยที่มันเกิดขึ้น แต่ถ้าสมมติเรารู้สึกไม่ดีเนะี่ยเราก็อยากจะให้มันหายแล้วนอกปฏิบัติทบางทีพอม่วงขึ้นมาไม่ชอบอยากให้มันหายง่วงฟุ้งซ่านคิดมากไม่ชอบอยากให้มันหายฟุ้งซ่านนะะเวลาสงบเราชอบเราก็อยากให้มันสงบนานๆเวลามันสุขมันสบายก็ชอบอยากให้มันอยู่แบบนี้ น, นานๆตลอดไป แล้วเราก็จะไปทําตามความชอบความไม่ชอบของเราอืมแต่จริงเราทําจริงๆคือเรารู้นะท่าภาวะที่รู้คือเช่นมันฟุ้งเราก็รู้มันฟ úng, ุ้งมันยังฟุ้งอยู่เราก็รู้ว่ามันฟุ้งก็แค่เนีน้การรู้เนะี่ยถู ก, úng, กว่ามันหายฟุ้งก็แค่รู้ว่าหายฟุ้งนไม่ใช่ว่าฟุ้งแล้วไม่พอใจหายฟุ้งแล้วดีใจ อันนั้นก็คือการพอใจหรือการไม่หรือการไม่พอใจก็ไปหลงไปหลงู่แบบนึงนะแต่การรู้เฉยๆเนี่ยมันตรงมันถูกเป็นเป็นมั่งแต่การไปหลงพอใจไม่พอใจเนี่ยมันหลงไปละแต่บางทีเราก็ห้ามไม่ได้นะมันเป็นพอใจเองไม่พอใจเองก็ให้เรารู้ทันว่าตอนเนี้ยมันพอใจตอนเนี้ยมันไม่พอใจอันนี้ย มันจะย้อนกลับมาเห็นจิตใจนะเห็นกิเลสนะเห็นความคิดอารมณ์ต่างๆนั้นสติปัฏฐานจริงๆไม่ว่าเราจะปฏิบัติวิธีไหนก็นแล้วแต่นะมันก็เห็นทั้งกายเห็นทั้งใจนะนะหรือถ้าจะเรียกแบบเต็มๆก็กายเวชนาจิตธรรมเหมือนกันนะอะไรเป็นผู้เห็นใจเป็นผู้เห็นนะใจเป็นผู้เห็นใจเป็นผู้รู้ ใจเป็นผู้ปล่อยวางนะไม่ใช่เราเลยนะนะเราจะถอนความเป็นเราออกไปมันเลือเด็ดใจลุน้วนใจที่รู้หบือใจที่หลงมีแค่สองสภาวะนะมีแต่รู้กับหลงรู้กับหลงนะทั้งวันเพียงแต่แวะาในวันวันหนึง่งเนี่ยจะรู้มากหรือรู้น้อยหลงมากหรือหลงน้อยแบบนี้นะ แต่เราันน้นการสร้างสติก็คือการฝึกให้มันรู้รู้ให้มากๆรู้ให้ปบ่อยนะไม่ใช่จะบอกให้รู้ตลอดเวลานะจะเครียดอะไรล่ะบอกรู้ตลอดเวลามันจะการเป็นจ้องการเป็นปรองตัวรู้ไปแต่ให้รู้ไปบ่อยนะรู้ไปบ่อยๆระลึกได้เมื่อไหรก็รู้ตัวะเถลอไปก็รู้ตัวนะรู้ตัวบ่อยๆนะ กลัามาฝึกรู้ตัวบ่อยๆนะนะอาสายกายเคลื่อนไหวก็ให้รู้สึกตัวอาสายใจเกิดไปคิดก็รู้สึกตัวนะทําอะไรก็รู้สึกตัวนะดูแล้วก็จบรู้แล้วก็นะไม่ได้บอกให้มันจบหรอกแต่เหมือนดูแล้วก็ที่จบทีละขณะนึงทีละขณะนึงนะแล้วก็ระวังว่าอย่าไปรู้ก่อนนะแต่ถ้ารู้ก่อนก็ ดูทันว่าใจมันเปิดเผยไปรอรู้เนะี่ยอันนี้ก็ถูกนะใจเราไปรอดูแล้วเนะนี่ยเนี่ยก็ถ้ารู้ว่าใจไปรอนี่ก็ถือว่าเรามีสตินะสังเกตนะไมว่ยจะบางครั้งเนะี่ยเราเจะสมมติเราไปาไปเจอใครสักคนนะ่ะสมมติเราแบบเกรงเกรงนะเช่นไปเจอหัวหน้าไปเจอใครก็แล้วแต่ใจเราไปเหมือน ไปคิดล่วงหน้าแล้วเขาจะพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยจิตใจเร า, า, า, ามันไปไปปรุงอนาคตแล้วถ้าเราเห็นจ่ตใจเราไปปรุงใจเราไปตั้งท่าว่าเราจะต้องนิ่งๆนะอันนี้อันี่คือเรามีสตินะแต่ถ้าเราไปทําแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราทำเนี่ยเนนี้เรียกว่าขาดสตินะแต่ถ้ามันไปทําก่อนแล้วเรารู้ว่ามันไปทําอันนี้คือแบบเรียกว่ามีสตินะนะก็ลอง ทำไปเรื่อยๆนะลองฝึกหัดไปเรื่อยๆนะทไปแล้วประสบการณ์ในการปฏิบัตินั่นแหละมันสอนเราเองนะผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครูนะหลงก็เป็นคนรูนะรู้ก็เป็นครูนะมันเป็นครูที่หรืออยากจะบอกว่าที่จริงความทุกข์ น, น, นี่แหละเป็นครูอย่างดีเลย เวลามนเพ่งมันจ้องแ้วมันทุกข์มันแน่นเนี่ยมันก็คือครูสอนบอกเราแล้วว่าเราทําผิดนะนะอืมอืมหรือแม้แต่เพลินไปกับอารมณ์ก็ให้ดูนะว่าการเพลินกีวับอารมณ์อันนั้นก็หลงไปตอนนะ้นอหรือการไปแค่อยู่ในความว่างความนิ่งความสบายก็ให้ดูนะว่ากำลังปิดอยู่นะ ติดในการวัสดุกาในการนโยกอย่างหนึ่งนะที่มันละเอียดนะให้รู้นะนะก็ก็พูดเป็นเรียกว่าเป็นตัวแผนที่นะเป็นตัวนำทางนะพูดให้เราได้นำไปปฏิบัติต่อเนาะแบบคนที่เคยปฏิบัติแล้วก็เราก็ใช้เวลานะ ใช้สถานที่ตรงนี้นะ้าที่ผู้จัดตั้งใจนะให้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมเะาเราก็ใช้โอกาสใช้สถานที่นะในการตั้งใจปฏิบัติก็คนที่เคยฝึกอยู่แล้วก็ก็เชิญนะักแยกย้ายฝึกปฏิบัติก็ได้แล้วก็ประมาณมก่อนสิบเอ็ดมงคึ่งก็ก็ลงมาเนาะอืส่วนคนที่ยังไม่เคยฝนะึกนะก็ แต่ว่าให้ใรยแจงตุมแนะนำลักก็มาที่ข้างหน้านะมาเนะี่ยมาแนะนำการปฏิบัติแล้วก็เอาไปปฏิบัติต่อ